การปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้หลักแล้วนะมันมันไม่เกินความสามารถของคนธรรมดาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละธรรมะไม่ใช่ของคนพิเศษอนะไพระพุทธเจ้าท่านเลือกตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์นะว่าภูมินี้พอนา ง, ง่ายสะดวก ่ถ้าไปสอนเทวดาจะให้เทวดาดูรูปนี่ดูยากนะรูปมันสวยมันงามมันเที่ยงอยู่นั้นกว่าจะแสดงความไม่เที่ยงเนะตอนใกล้ๆจะตายร่างกายถึงจะแปรปรวนสุดโสมให้ดูแป๊บเดียวเองถ้าไปตรัสรู้ในพรหมโลกเนะี่ยจิตใจมันเที่ยงนคงที่อยู่นั้นนะสงบสบายนะ ตามชั้นตามภูมิของระดับชาน้นจะให้เห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ดูยากอีกของมนุษย์นะร่างกายเราก็แปรปลวนรวดเร็วมากเลยเร็วกว่าที่เราคิดอีกนะอย่างเราคิดว่าเราจะสาวนานนะมันไม่นานเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวต้องการขับถ่าย เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเจ็บไม่สบายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยแ <c oughs> ปรปรวนรวดเร็ว <c oughs> แล้วภูมิมนุษย์จิตใจก็เปลี่ยนเร็ว <c oughs> ตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยน <c oughs> ผู้ได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยน <c oughs> จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายก็ดูง่ายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ดูง่าย เนี่ยเป็นมนุษย์มันวิเศษตรงนี้แหละไม่ใช่ร่างกายก็งดงามคงที่นะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเด็กคงที่มีนะเทวดาบางองค์ชอบเป็นเด็กแล้วจะเป็นเด็กอยู่ยงนั้นเรื่อยๆไปจนโตแล้วนะยังไว้หัวจุกไว้แกละอะไรย่างเี้ยก็มีนะในพระเจรปิดดก็มีนะเทวดานะไว้ไว้แกละไว้จุกอะไรอย่างเงี้นะกกนะนะย ทำตัวเป็นเด็กๆแต่ไปรักสาวนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเลยกลุ่มของเราเนี่ยเหมาะกับการภาวนามากที่สุดร่างกายก็ไม่คงที่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว, รวในขณะเดียวกันนะความสุขความทุกข์ก็ไม่รุนแรงเกินไปเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยความสุขมากความทุกข์เนี่ยแทบจะหาไม่เจอ เป็นสัตว์ในอบายนะความทุกข์มากความสุขมีน้อยมนุษย์นี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มล ง, งสัตว์นรกนะก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนั้นจะให้ดูให้เห็นทุกข์ไม่เที่ยงเนีดูไม่ไหวงั้นเราเป็นมนุษย์นะเหมาะกับการภาวนามากที่สุดละเราก็อย่าไปทำตัวเองให้พ้นจากความเป็นมนุษย์ไป บางคนจะภาวนาก็ไปทําจิตให้เหมือนโฟมให้นิ่งสบายสว่างอยู่นั้นถ้าจิตของโฟมดีที่สุดนะั้นพระเจ้าของตรัสรู้ในภูมินั้นไปและพโฟมก็ภาวนาดีก็มีนะโฟมมิชาทิฐิก็เยอะติดนิ่งติดว่างเทวดาที่ดีสนใจธรรมะ ก, ก็มนะีเทวดาไม่สนใจธรรมะ ก, ก็มีเทวดามิชาทิฐิก็มี คนศาสนาอื่นเขาก็เป็นเทวดาได้แต่ศาสนาอื่นก็ไม่ได้จํากัดว่าเทวดาต้องมีแต่ชาวพุทธหรอกคนศาสนาอื่นเขาเป็นคนดีได้ก็เป็นเทวดาได้มนุษย์ก็เหมือนกันนะมนุษย์สัมมาทิฏฐิก็มีไม่มากอะมนุษย์มิจฉาทิฏฐิเยอะทั้งทัที่ภูมิของเราเหมาะกับการภาวนาเราอย่าน้อมใจนะ ไปอยู่ในความนิ่งความว่างความสงบไปอยู่เท่านั้นนะเรากายเราเป็นมนุษย์นะใจเราไปเป็น พ, นะพรแม้วภาวนาลําบากหน่อยแต่ภาวนาได้ก็มีนะแต่ว่าต้องชํานาญในการดูจิตจริงๆถ้าชํานาญในการดูจิตได้เนะี่ยถึงจะเจริญปัญญาในพรหมโลกได้่ะดูความเปลี่ยนแปลงขององชานได้ หรือขึ้นไปถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะอันนี้ในคำพีสอนไว้บอกว่าถ้าเป็นพระอริยาบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตเนี่ยถึงแม้ไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญาญตนะน้พรมที่สูงที่สุดแล้วนะเป็นอรูปชั้นสูงสุดก็สามารถทํำวิปัสสนาได้เงื่อนไขยเยอะกว่าจะทําได้ถ้าปุถุชนขึ้นไปตรงนั้นแล้เสร็จเลยเดินปัญญาไม่ได้ พรหมบางชนิดไม่มีจิตพวกเรานักปฏิบัติบางคนก็น้อมจิตไปเจน ก, กลายเป็นพรหมที่ไม่มีจิตเรื่องอสัญญสัตตาสัญญาสัตาสญญาสตาภูมิเป็นพรหมมีแต่ร่างกายไม่มีจิตอย่างพวกเราบางคนก็นั่งภาวนานะหรือเดินจงกรมทรมานมากเลยนั่งก็นั่งให้ทรมานให้มากเดินก็ทรมานให้มากสุดขีดนะ จนทั่งร่างกายจิตใจนี่มันทนไม่ไหวจิตมันจะหลบมันคล้ายๆสลบไปหมดความรู้สึกไปจิตดับลงไปเหลือแต่ร่างกายแล้วจิตดับนะไม่มีจิตออกแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายกันว่าตรงนี้บรลบรลุมรรคผลเชื่อบรรลุมรรคผลมรรคผลเป็นต้องไปรู้นิพพานนิพพานไม่มีรูปมีนามคนละเรื่องกันนะขณะที่บรรลุมรรคผลต้องมีจิต เรียกว่ามัคคจิตโรโพลจิตมีอย่างหนึ่งทั้งยี่สชนิดนะมาาีมัคคจิตมีทั้งยี่สิชนิดโพลจิตมีอีก20ชนิดนะนี่บางคนไม่เรียนให้ดีนะนั่งทรมานตัวเองหนักๆนี่เครียดสุดขีดเลยเหนื่อยสุดขีดเลยจิตจะดับลงไปแต่อย่างนั้นไม่ยากอะไรนะหายานอนหลับมากินแล้วก็หลับไปแล้วก็บอกนี่แหละบรรลุพระอรหันตนะ์แลพระอรหันต์แบบโดนยาสลบอย่างนั้น มันมันมีเราเสียความเป็นมนุษย์ธรรมดาของเราไปไปเป็นโฟมนิ่งๆิ่งว่างๆก็มีไปเป็นโฟมปป from, แบบไม่มีจิตเลยก็มีบางทีเป็นโฟมไม่มีร่างกายมีจิตแต่ไม่มีร่างกายก็มีแต่อันนี้ไม่แปลกอะไรเรานั่งสมาธิไปบางทีร่างกายก็หายเหลือได้จิตอันนี้ถ้าเราดูจิตเป็นเราก็เดินปัญญาต่อได้ยังไม่มีปัญหาคือขอให้มีจิตนะ แล้วก็ยังมีสัญญาอยู่พราสารีบุตรเคยสอนนะบอกว่าถ้ายังเป็นสัญญาอยู่มีสัญญาอยูนะ่มีสัญญาสมบัติอะไรเงี้ยก็ยังเดินมิปัสสนาได้แต่ถ้าดับลงไปนะเป็นพรหมลูกฟักเีพรหมลูกฟักอสัญญาสัตตานะทำมิปัสสนาไม่ได้ไปคิดว่าเป็นพระนิพพานสญิงคนละเรื่องเลยหรือเราเป็นมนุษย์นะแต่เราก็มีแต่ความสุข เพลิดเพลินในความสุขใจของเราไปเป็นเทวดาล้มีแต่ความสุขเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเราสังเกตไหมช่วงที่ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยการภาวนาของเราย่อหย่อนรู้สึกไหมช่วงไหนมีความทุกข์ขยันภาวนารู้สึกไหมแต่ถ้าทุกข์มากจนสติแตกเลยก็ภาวนาไม่ไหวอย่าทุกข์มากเลยก็คือสัตว์นรกเนี่ยภาวนาไม่ไหวมีความสุขมากก็ขี้เกียจภาวนาเพลิน งั้นถ้าเราน้อมใจนั่นใจเรามีแต่ความสุขเราหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ต, ต่างๆก็เหมือนในร่างกายเรายัางเป็นมนุษย์นะแต่ใจเราไปอยู่ในภูมิของเทวดาแล้วอยู่ในภพเทวดามีความสุขการภาวนาเนี่ยโดยธรรมชาติเลยมันจะย่อหย่อนยกเว้นเทวดาที่บารมีมากนะเทวดาที่บารมีมากเนี่ยทำมาแต่เป็นมนุษย์เนี่ยขยันภาวนา บางท่านก็ได้ธรรมะขึ้นไปเกิดในเทวโลกก็ไปภาวนาต่อบางท่านมีธาตุดีอยู่ในตัวสะสมบารมีมาเป็นเทวดาปุถุชนแต่ได้ข่า ว, วาพระสีอริยะเมตไตรจะมาแสดงธรรมอะไรเงี้ยก็มาฟังกันได้ธรรมะกันก็มีไปต่อยอดบนนั้นก็มีไปได้ธรรมะเบื้องต้นในที่โน้นเลยก็มี อันนี้เป็นพวกที่เขาสะสมของเขามาแต่มันก็คล้ายๆพวกเราพวกเราบางคนในช่วงชีวิตที่มีความสุขเราก็ยังภาวนานไม่ใช่เผลอเพลินหรือว่าส่วนใหญ่มันจะเผลอเพลินไปเทวดาส่วนหนึ่งก็ภาวนาส่วนหนึ่งก็เผลอเพลินไปนก็แบบเดียวกับใจของเรานี่ใจของเรานี่แหละเป็นภาพจำลองของภพภูมิต่างๆนะ ที่เรียกว่าพบน้อยน้อพบใหญ่ของเราตอนนี้เราเป็นมนุษย์แต่พบน้อยๆ้อยพบย่อยๆของเราเนี่ยเวียนไปในภูมิต่างๆสารพัดเลยไปในภพต่างๆสารพัดเลยหลงมือภาวนานก็นิ่งนว่างๆร่างกายหายไปโรคหายไปไปเป็นอรูปประผร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่ใจไปเป็นอรูปในขณะนั้นจะไม่รู้สึกถึงร่างกาย หรือภาวนาแล้วเครียดจัดจิตดับลงไปก็ไปเป็นลมอีกชนิดหนึ่งลมมีรูปแต่ไม่มีจิตนึกอสัญญาสัตตาหรือลมลูกฟักหรือว่าเป็นเทวดากายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราอ้มีความสุขเพลินส่วนใหญ่ก็จะเพลินแล้วก็ไม่ภาวนาเวลามีความสุขแล้ไม่ค่อยยอมภาวนาพอมีความทุกข์นั่นก็จะภาวนายิ่งทุกข์มากนะยิ่งอยากภาวนา อย่างบางคนไม่เคยภาวนาเลยนะไปตรวจร่างกายหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วรีบมาถามเลยจะภาวนายัา ง, ไยาางไงโธ่จะภาวนาง่ายหรไม่เคยทํานอะ่ะก็ต้องหัดไว้ก่อนที่ความทุกข์รุนแรงมันจะมาถึงนะเวลาเป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายเนะี่ยจะเจ็บทรมานมากถ้านะไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้ก่อนนะส่วนมากสติแตกสู้ไม่ไหวก็นะวต้องดบยาให้มากๆก็อย่เบลือๆไป ตรงที่เบลเบไปนะถ้าจิตเคยฝึกเอาไว้ดีก็ไม่ต้องกลัวหรอกจิตไม่พลิกไปทางที่ดีได้ถ้าจิตเคยชินกับความไม่ดีนะไปดบอยาให้เบลอบไว้นะนี่ขาดสติหนักเข้าไปอีกเนะมื่อก่อนจะโดนสภาวะอย่างนี้ต้องรีบภาวนาไว้ก่อนให้ชำนีชำนานหรือเวลาเราทุกข์มากนะจิตเราเป็นสัตนรกทุกข์มากภาวนามไม่ได้เวลาเราหลงมาก จิตเราเป็นสันเดลฉ า, านะ้อภาวนาไม่ได้เวลาเราโลภมากนะใจเต็มไปด้วยความหิวโหวยต้องการตลอดเวลาภาวนาไม่ไหวจิตเราเป็นเปรตเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากนะจิตเราเป็นอสุรกายเราภาวนาไม่ได้ร่างกายเราก็ยังเป็นคนเนียแต่จิตเราเวียนไปในภูมิต่ตางๆถ้าเรารู้หลักของการภาวนานะ ภูมิที่ดีที่สุดก็ภูมิของคนธรรมดาที่สุดนี่แหละร่างกายมันเป็นยังไงรู้สึกลงไปเลยไม่ต้องไปดัดแปลงร่างกายจิตใจเป็นยังไงรู้สึกเข้าไปเลยไม่ต้องดัดแปลงจิตใจจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมันฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งช่วคราวพาสติไปรู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งซ่านสงบมันก็สงบชั่วคราวนะ มีสติรู้ความสงบไปได้ช่วงหนึ่งความสงบก็เสื่อมได้อีกเป็นของแปลปรวนอีกมีความสุขก็ชั่วคราวมีความทุกข์ก็ชั่วคราวมีความสุขได้ไหมได้กุศลมันให้ผลมาเราก็มีความสุขเราเจอสิ่งที่ดีก็มีความสุขอากุศลให้ผลมาเราเจอสิ่งที่ร้ายเราก็มีความทุกข์ขึ้นมา มีความสุขขึ้นมาจิตยินดีพอใจก็ให้รู้ทันมีความทุกข์ขึ้นมาจิตไม่พอใจก็ให้รู้ทันเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนเร็วนะแต่ว่าไม่ได้ไปค้างอยู่ในสุขมากไปทุกข์มากไปหลงมากไปโลภมากไปนะจิตธรรมดาธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยร่างกายก็เปลี่ยนแปลง เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงมีธาตุไหลเข้าก็มีธาตุไหลออกนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตก็เปลี่ยน เราใช้สภาวะร่างกายของมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เรามีนี่แหละใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาอย่างที่เรามีนี่แหละเป็นของดีของวิเศษเป็นต้นทุนที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะในการภาวนาร่างกายเราที่ไม่เอาไหนนี่แหละเป็นต้นทุนของการภาวนาไม่สุขมากไปไม่ทุกข์มากไปจิตใจของเราก็เป็นต้นทุนการภาวนาที่ดีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปไม่ดีเกินไปไม่ชั่วเกินไปนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้การเจริญปัญญานั้นเราตามรู้ตามดูนะสภาวะที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคือรูปธรรมนามธรรมที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราตามรู้ตามดูไปเรื่อยปัญญาก็ค่อยสะสมขึ้นต่อไปเบื้องต้นนะมันจะได้ปัญญามันจะเห็นความจริงนะรูปธรรมนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเนี้ยนามารำทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราก็เป็นแค่สภาวะรมเป็นนามธรรมเป็นเวทนาบ้างคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเป็นสัญญาคือความจําได้หมายรู้บ้างเป็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นวิญญาณคือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ วิญญาณกับจิตนะอันเดียวกันนะคำว่าจิตคําว่าวิญญาณคําว่าใจคือสิ่งเดียวกันนะ <c oughs> คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จะทําไมมีหลายชื่อ <c oughs> เวลาทําหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้เวลาทําหน้าที่นี้ก็เรียกอย่างนี้ทําหน้าที่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณ <c oughs> วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้ามันเป็นจิตนะนก็ทำงานพิสดารมากกว่าการรับรู้นะถ้าเรียกว่าจิตจะทำได้สารพัดเลยนะใจทำหน้าที่รับรู้ธรรมารมนะก็คือจิตนั่นแหละแต่จิตที่ไปรับรู้ธรรมารมก็เรียกว่าใจแต่ถ้าไปกระทบธรรมารมนะตรงที่กระทบนะแล้วรับรู้การกระทบนะั้นะเรียกว่าวิญญาณนะ ตรงที่กระทบแล้วสเสวออยาอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วด้วยว่าจิตนะตัวเดียวกันนั่นแหละนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดมาทําหน้าที่นี้แล้วก็จะเรียกอย่างนี้แล้วดับไปมาทําหน้าที่นี้แล้วก็ดับไปนะจริงๆก็คือจิตที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะั่รูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นแต่สักว่ารูปเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสักว่าเวทนาเป็นแค่สภาวธรรมที่เรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้ก็เป็นสภาวธรรมอันนึงไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นแค่สภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งก็คือจิตนั่นเองก็ไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยเฝ้ารู้ลงมานะค่อยๆแยกขันไปหัดแยกเป็นส่วนๆไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้เป็นส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นส่วนหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งคําว่าส่วนในภาษาไทยเนี่ยตรงกับคําว่าขันในภาษาบาลีเพราะเราเคยได้ยินคําว่าขันห้าแล้วกลัวเลยนะอะไรก็ไม่รู้ขันห้าถ้าจะยากมาก ขันแปลว่าส่วนแปลว่ากองภาษาอังกฤษแปลว่า division โดยซ้ำไปเป็นกองกองนะเป็นส่วนคล้ายๆแต่ละส่วนงานอเงี้ยแต่ละส่วนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองแต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลยมีแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราค่อยๆมาแยกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา สิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกมันมีแต่อนนตตาแต่อนนตตาเราไม่สามารถเห็นได้เพราะามันมีสิ่งที่มาปิดบังสิ่งที่ปิดบังทำให้เราไม่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะตัวเราเป็นอนตตาเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยจริงๆเป็นอเนตตาไม่ใช่ตัวใช่ตัวนะสิ่งที่ปิดบังอเนตตาไว้เรียกว่าคณะคอละคังเราหนูคณะคณะก็คือการที่ขันต่างๆนะ มันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมีสัญญาเข้าไปหมายมีใจเข้าไปคลองนะก็จะรู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เป็นกลุ่มก้อนของธาตุจำนวนมากนะเป็นกลุ่มก้อนของนามธรรมา ท, ทั้งหลายความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่ในนี้แหละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็อยู่ในนี้แหละความรับรู้มันก็อยู่ในนี้แหลนะนน เ, ลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะขันท่านี้มันมาประชุมรวมกันอยู่ใน ร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกนี่มีสัญญาคือการหมายรู้มีใจครองอยู่ยก็เลยเรียกว่าตัวเราตัวเราก็เลยไม่เห็นความจริงว่าจริงๆตัวเราไม่มีนะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช้ตนดงนั้นวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบันได้นะถ้าเห็นว่าตัวที่มีคือตัวทุกข์นั่นจะเป็นพระระหัน ตอนนี้เห็นให้ได้ก่อนว่าตัวเราไม่มีแล้วขั้นท้ายค่อยไปเห็นว่าตัวที่มีคือตัวทุกข์จะดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็ต้องมาทําให้คณะนี้แตกออกคือแยกาธาตุแยกขันนั่นเองที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าให้แยกาธาตุแยกขันแยกรูปออกไฟส่วนหนึ่งนะรูปก็ส่วนรูปนะคือร่างกายนี้แยกออกไปอยู่ต่างหากความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหาก ความจําได้หมายรู้ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากความปรุงดีปรุงชั่วก็แยกออกไปอยู่ต่างหากจิตหรือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แยกไปอยู่ต่างหากคือแยกขันนั่นเองวิธีแยกจะแยกได้นะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องการแยกขันเนี่ยเป็นขั้นเจริญปัญญาละไม่ใช่ขั้นสมถะนะ การแยกขันนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแต่ขั้นดูที่ดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเลยนีย่อันนี้ยังไม่ได้แยกขันจริงยังไม่ถึงวิปัสสนาจริงเราะไม่ได้เดินปัญญาจริงนะจะเดินปัญญาเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการแยกธาตุแยกขันงั้นปัญญาเนี่ยมี16ขั้นตอนเรียกว่าโสรถยานใครเคยได้ยินไหมโสรถสยานโสรถยานโสรถยานโสรถแป่ว่า16ยาน16ตัวคือยานแปลว่าปัญญา ปัญญานี้มี16ขั้นตอนนะขั้นที่14บสคือมรคยานขั้นที่15ผลรยานนะอันนี้เป็นส่วนของโลกุตตะละขั้นที่16เรียกปัจเจเวขนายานอันนี้จิตถอยออกจากโลกุตตะละและนะจิตเท่ทบทวนโลกุตตะละที่เกิดขึ้นเนื้อยาณ16ขั้นนะขั้นสุดท้ายท้ายๆนี่เป็นเรื่องของการบรรลุมรรคผลแต่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยชื่อนามรูปปริเฉทยาน มีปัญญาแยกรูปนามนะเพราะเราต้องสร้างปัญญาตัวนี้ให้ได้ขึ้นก่อนนะถ้าเราไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราจะทําวิปัสสนาไม่ได้จริงวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นรูปแต่ละรูปนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นนามแต่ละนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์เพราะเราต้องแยกมันให้ได้ก่อนอย่างถ้ามาดูทั้งตัวนี่เราบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยยังไงใจมันก็ไม่เชื่อนี่มันเราแท้ๆเลย แต่ถ้าลองมาดูทีละส่วนนะีมันจะไม่เป็นเราแล้นะผมเป็นเราไหมใครเห็นผมเป็นเรามื่อไปตัดผมเมื่อเราก็ตายสิเนาะขนเล็บฟันหนังนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะถ้าถ้าแยกออกไปค่อยๆดูออกไปนะเพราะว่ามันไม่มีเราตรงไหนเลยนะในร่างกายเนี้หาเราไม่เจอนะมีอะไรนะมีแต่วัตถุนะ ถ้าโดยสมมุติก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะร่างกายนี้แยกออกไปโดยสมมุติมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าแยกโดยปรมาณ์นะก็มีาธาตุดินน้ำไฟลมในผมก็มีาธาตุดินน้ำไฟลมในขนก็มีาธาตุดินน้ำไฟลมอยู่มีาธาต์อยู่ที่หลวงพ่อพูดเขาไว้แยกาธาต์แยกขันแยกาธาต์เนี่ยนะยังมาแยกทีแรกแยกขันออกเป็นขันห้าเพราะแยกาธาต์ออกมาเนี่ย คือแยกกายนี่ออกเป็นธาตุสีได้นะส่วนใจนะก็เป็นธาตุธาตุรู้เรียกวิญญาณธาตุที่ว่าแยกธาตุนะก็คือแยกรูปแยกนามคำว่าแยกธาตุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวรูปมีนามธรรมคือวิญญาณธาตุอยู่ตรงแยกขันนี่นะมีรูปประขันหนึ่งมีนามปขันสีนะถ้าคนไหนถนัดรู้นามธรรมนะก็แยกขันให้มากคนไหนถนัดรูปธรรมก็แยกธาตุให้มากอันนี้แล้วแต่ถนัดแต่รวมความแล้วต้องแยก เราจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆให้ได้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกๆส่วนที่มีนั้นไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราจะหายไปเลยทันทีท่านเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคันนะในตำราจะเปรียบเทียบเหมือนเกวียนพวกเราตอนนี้พูดถึงเกวียนไม่เข้าใจแล้วรู้แต่ว่าเกวียนมีลูกล้อส่วนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้จักแล้วเรามาดูรถยนต์ก็ได้รถยนต์มีจริงๆมาจอดอยู่หนึ่งคัน เราจับมาถอดเป็นชิ้นๆเพรถอดลูกล้อออกลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แล้วใช่มลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดเอากันชนพวงมาลายถอดตัวถังถอดเครื่องยนต์ถอดถังน้ํามันนะถอดสายไฟถอดตะปูน็อตอะไรต่ออะไรถอดหลอดไฟออกไปนะกระทาะสีออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างกระทั่งสีก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์กลายเป็นเศษเหล็กเศษอะไรไม่เยอะแยะไปหมดเลย เนี่ยพอเราแยกสิ่งที่มีอยู่จริงๆที่เรานึกว่ามีอยู่จริงๆออกเป็นส่วนย่อยๆนะความเป็นตัวเป็นตนมันจะหายไปรนยนต์มันจะหายไปเพราะมันถอดออกไปเป็นส่วนๆแล้วรถยนต์หายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราสามารถถอดด้วยปัญญาไม่ต้องถอดจริงๆนะไม่ใช่ไปตัดแขนตัดขาทีละส่วนหรอกถอดได้ด้วยปัญญาจริงๆเราจะพบว่าตัวเราหายไปตัวตนไม่มนะีแบบเดียวกันเลย วิธีที่จะเรียนเพื่อให้เห็นว่าตัวตนหายไปด้วยการหัดแยกเป็นส่วนๆเนนะี่ยมีชื่อภาษาแขกนะชื่อวิพัฒชวิทีวัแหวนสระอีพอสำเภาบมรยากาศชอช้างนะจะตัวเดียวสองตัวก็ตามใจนะวิพัฒชวิทีคือหัดแยกพอแยกได้แล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะไม่มีตัวเรานะแล้วสุดท้ายพอแยกได้หมด ทีท่วนจริงๆนะจะรู้เลยตัวเราไม่มีหรอกเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองเป็นมายาหลอกลวงเหมือนฝันฝันไปว่ามีตัวเรานะจริงๆไม่มีเราถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแทงทะลุเข้าไปจนเห็นว่าจริงๆไม่มีเราหรอกเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ลงมือทําจริงไม่ยากหรอกบางคนใช้เวลาไม่กี่วันด้วยซ้ําไปนะบางคนใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะอย่าว่าแต่พระโสดาบันเนี่ย บางท่านฟังธรรมะไม่กี่ประโยคท่านก็เป็นพระอราหันต์อย่างพระพาหิยะฟังธรรมะนิดเดียวฟังอยู่กลางตลาดเลยกนะ็ได้เป็นพระอรหันต์เพราะท่าเจ้าท่านบอกดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นศักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นศักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นศักว่าทราบคำว่าศักว่าเมื่อนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะ นั่นแหละที่สุดแห่งทุกเนี่ยพระพาหิยะฟังท่นี้บรรลุพระอรหันต์นะพวกเราฟัง 100, 000, 000, ร้อยรอบพันรอบก็ไม่บรรลุหรอกทําไมพระพาหิยะเร็วนักนะีเพราะชาติก่อนเนี่ยช้าหนักนะภาคเพียรสุดที่สุดเด็ดเลยนะภาวนาจนตัวตายเลยก็ไม่ได้ธรรมะนะแต่อาศัยความภาคเพียรเต็มที่เลยนะได้ผัดภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ต้องทำแน่นอนเลยอันเนี้ยนะต้องฝึกภาวนามาอย่างโชคชุนเลย ท่านถึงขนาดขึ้นไปบนภูเขานะภูเขานั้นชันมากเลยทําบันไดไต่ขึ้นไปแล้ว ถ, ถีบบันไดทิ้งเลยภาวนาถ้าไม่บรรลุธรรมะนะจะไม่ลงจากเขานี่ท่านไม่ได้ลงมาท่านตายบนเขานี่ความเด็ดเดี่ยวที้กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยเป็นพลังที่มหาศาลนะพวกเรากล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตใช่ไหมอย่าว่าแต่ธรรมะเพื่อชีวิตเลยธรรมะเพื่อทรัพย์สมบัติเรายังเอาเลยนะบางคนนะ่ะ เอาธรรมะไปหลอกหากินก็มีนะ <c oughs> เนื้อเขากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเงื่อนเวลาเข้ามาฟังธรรมเนี่ยนะ <c oughs> เขาไม่ได้หวงแหนในธาตุในขันในกายในใจมากนักแล้วนะ <c oughs> ฟังสกิดนิดเดียวก็หลุดเลยส่วนเราเนี่ยยึดถือเหนียวแน่นมากรักมากหวงแหนมากเนะงืนต้องอาศัยเวลานะไม่ใช่ดูปุ๊บป๊บปั๊ บ, บ, บ, บแล้วก็บรรลุแล้วบรรลุแล้วนะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะทุกวันนี้ คำสอนที่เพียนเพียนเี่ยเยอะมากเลยส่วนมากาไปสอนให้แต่งจิตปรุงแต่งจิตให้ว่างว่างให้นิ่งๆิ่งให้สว่างอะไรเงี้ยแล้วก็วัดแสงสว่างก็มีนะถ้าสว่างขนาดนี้พระโสดาขนาดนี้พระอนาคาพระอรหันตนะ์นั่นเพียรทั้งนั้นเลยนะการวัดภูมิธรรมเนี่ยเขาวัดด้วยกิเลสนะเขาไม่ได้วัดด้วยแสงของจิตไม่ได้วัดด้วยความนิ่งความว่างของจิตเขาวัดด้วยกิเลส ตรงที่ยาณสิบหกอ่ะยานที่สิบกอ่ะชื่อปัจจเวกขณะยานนั่นคือการวัดกิเลสนั่นแหล ะ, ะวัดว่ากิเลสอะไรถูกทําลายล้างเด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่อะไรเนี้ยเพราะฉั้นเวลาวัดนะวัดด้วยกิเลสนะไม่ใช่วัดด้วยแสงด้วยความสงบด้วยสมาธิอะไรเงี้ยเลวไหลที่สุดเลยคําสอนเลวไหลนี่เต็มไปหมดเลยนะพวกเราต้องะระมัดระวังให้ดีเลมันนอกรีตนอกร้อยมันหลอกให้เรานึกว่าบรรลุแล้ว ถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสน า, ายังไงก็ไม่บรรลุหรอกไปนั่งแต่งจิตให้นิ่งให้ว่า ง, แ ต, ง, งแต่งอย่างโน้นแต่งอย่างนี้ไม่บรรลุหรอกต้องหัดทาาําวิปัสสนาทําวิปัสสนาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเสียก่อนวิปนะัสสนาในเรื่องอุทยพ ย, ายาัญญาเริ่มจากอุทยพ ย, ายาัญญาญาณที่สนะี่ญาณที่หน่งเนี่ยหัดแยกรูปแยกนามญาณที่สองเนี่ยจะเห็นในรูปแต่ละรูปที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆนามแต่ละนามมีเหตุให้เกิดนะ แล้วยานที่สมจะเห็นเลยว่ารูปแต่ละรูปนั้นไม่คงที่หรอกนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามแต่ละนามไม่คงที่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่นี้เห็นด้วยการเปรียบเทียบเช่นส่องกระจกดูวิ่งเมื่อวานไม่มีสิววันนี้มีสิว น, นี่รูปไม่คงที่นี่มีการเปรียบเทียบคนละพ่วงเวลาแต่ถ้าเป็นขึ้นยานที่4ี่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เปรียบเทียบคนละพ่วงเวลานะแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันนี้แหละ เจอมาถึงตรงนี้ได้ขั้นแรกต้องแยกรูปแยกนามก่อนถึงจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแสดงความเป็นไตรลักษณ์ได้รูปนี้แสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลานมามธรรมทั้งหลายคือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะกระทั่งตัวจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับ เนี่แสดงใจรักอยู่ตลอดเวลาดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่ารูปธรรมนี้แสดงใจรักอยู่ตลอดนมามธรรมนี้แสดงใจรักอยู่ตลอดดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเจวัน7เดือน7ปีดูจนใจมันเชื่อใจมันยอมใจมันยอมจมํานว น, นต่อข้อเท็จจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมและนมามธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้าได้ตรงนี้จะได้ธรรมะขั้นต้นชาตินี้ยังไงก็ขอให้ได้โสดาบันนะ อย่าให้พลาดนะไม่ต้องมากกว่านั้นหรอกเอาโซดาให้ได้ที่เหลือน้ำหมูแล้วละ่ะยากที่สุดก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละในสมัยพุทธกาลนะมีอักขราสาวกอยู่สององค์รู้จักชื่อท่านใช่ไหมพระมหาโมคลานะกับภาษาลิบุตรพระมคลานะนิริตมากภาษาลิบุตรนี่ปัญญามากภาษาริบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าชมเชยอย่างหนึง่ง ชมเชยว่าท่านสามารถสอนปุถุช น, นให้เป็นพระโสดาบันได้เยอะมากเลยปุถุชนนี่ไปเรียนจากภาษาริบุตรนะไม่นานก็เป็นพระโสดาบั น, นส่วนพระโมคคัลลานี่จะเก่งมากเลยในการสอนพระโสดาบันให้บรรลุพระอรหันต์ความเก่งของท่านคนละแบบกันท่านมีฤทธิ์มีเดช น, นะท่านรู้จิตรู้ใจดักหน้าดักหลังเนี่ย น, นะแต่ภาษาริบุตรจะสอนทฤษฎีเลย่หละหลักการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ งั้นพวกเราเรียนหลักให้แม่นก่อนนะตอนนี้ต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาริบูดก่อนนะชอบไปอาศัยผู้อื่นให้ดูจิตให้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหลักต้องแม่นก่อนนะไป mm hmm. คนละหน้าที่กันนะคนละเวลากันตอนนี้เรียนหลักให้แม่นนะพอหลักแม่นแล้วลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆนะถ้าได้โสดาแล้วคราวนี้ต้องอาศัยนะระดับพระโมคคลลานี่ช่วยเจยง่าย แต่ระหว่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรคือระหว่างผู้ที่สอนให้เราได้โสดานะกับผู้ที่สอนให้เราบราารลุพระอรหันต์เนี่ยนะความรู้สึกนะหรือบุญคุณนะความรู้สึกต่อผู้ที่สอนให้เราได้โสดานี่คือพ่อคือแม่ของเราความรู้สึกต่อผู้ที่ประครับประคองเราจนบราารลุพระอรหันต์นะคือพี่ของเรานะความรู้สึกจะไม่เหมือนกันนะเงั้นความเป็นโสดาบันเนี่ยสำคัญมาก พระพุทธเจ้าชมนะบอกว่าโสดาปฏิมักนะเป็นเลิศนะประเสริฐยิ่งกว่าสมบัติจักรพรรดิอีกเป็นเจ้าโลกครองโลกได้นะมีทรัพย์สมบัติมากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจมีทุกสิ่งทุอย่างมากเลยแต่เทียบคุณค่าแล้วนะสมบัติจักรพรรดิเนี่ยสู้โซดาปฏิมักไม่ได้เนะลยเพราะสมบัติจักรพรรดนั้นเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนนะ ไม่นานก็หลุดมือไปแต่โซดาปฏิมาคเมื่อได้แล้วได้เลยนะมีแต่นานวันไปจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นตั้งใจไว้นะชาตินี้ยังไงก็ขอโซดาก่อนวิธีจะได้โซดาบัานนะ mm. ก็มาฝึกใจรักษาสีลห้าขั้นแรกต้องรักษาสี่ห้าขั้น 5. ที่สอง 2, มาฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวนะคือฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัว ต่อมาก็เดินปัญญาเดินปัญญาด้วยการหัดแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนนะพอจิตใจตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่ ง, นนงจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกไปหมดแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่แยกออกไปได้นะเกิดได้ก็ดับได้สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จะเห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ําๆๆไปจนใจมันยอมจะได้โซดานะ เอาไปกินข้าวนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์